แม บ, บแปลนแผนผังที่เขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็ดีตำหนักตำราทางโลกก็ดีตำหนับตำราทางศาสนาก็ดีถ้ายังไม่ลงมือทาตามแบบแปลงแผนผังนั้นก่อนแล้วจะไม่ทราบความหมายลึกซึ้งอย่างละเอียดได้เลย ยังแต่จำไม่เฉยเฉยไม่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ยังให้เป็นภาคปฏิบัติก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดและยังไม่ทราบความลึกตื้นอยากละเอียดแห่งแบบแปลนแผนผังและตำหนักตำลานั้ น, น, น ศาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนโลกนี้เทียบกันหน้ากับเป็นแบบแปลนพูดอย่างกันพื้นพื้นธรรมดาก็เรียกว่าแบบแปลนเพื่อเป็นคนดีให้สร้างตนตามแบบแปลนคือแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ และสร้างตนให้เป็นคนดีตามลำดับชั้นแห่งแปนนั้นๆเพราะแปนตั้งแต่ขั้นหยากถึงขั้นละเอียดละเอียดเข้าไปมีเป็นลำดับจำดา่าจนกระทั่งถึงสําเร็จรูปขึ้นมาเหมือนเขาสร้างบ้านสร้างเรือแปนภายนอกที่เรามองเห็นมันเป็นอย่างหนึ่งแปนซึ่งอยู่ภายในห้องในหับในที่ต่างๆทั่วทั้ง ตึกหลังนั้นเป็นอีกอย่างหนึงตำราศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เป็นพื้นพื้นนั้นอย่างหนึ่งที่วาดแบบแปนเพื่อความเป็นคนดีให้ปฏิบัติตนตามแบบแปลนแห่งศาสนธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น ตามขั้นแห่งแปนตามกําลังแห่งความสามารถเป็นลําดับลําดาไปเริ่มตั้งแต่สนใจเรื่องอัดตื้นทางเริ่มได้ยินได้ฟังคําสั่งสอนแเริ่มปฏิบัติตามเริ่มตั้งแต่การให้ทานว่ามีผลอย่างนั้นอย่างนั้น การรักษาสีมีผลอย่างนั้นแล้วก็ก้าวขึ้นสู่ด้านภาวนามีผลอย่างนั้นและอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆไปซึ่งด้วนแล้วแต่แ ป, แปลนที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นดีเป็นขั้นๆ ข, ข, ขึ้นไปตามแบบแปนตามาศาสนาธรรม ที่ทรงสั่งสอนไว้เริ่มตั้งแต่ผู้มีความเชื่อความนับสายศาสนาและนับถือศาสนากราบพระสวดมนต์เป็นกิจวัตรประจำตนนั้นก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลแม้จะไม่ได้มากเพียงศีลห้าเป็นการเป็นเวลาก็ยังดีหรือไม่ได้ทุกองค์แห่งศีล จะได้ในองใดหรือข้อใดข้อนก็ยังดีกว่าผู้ไม่ดีศีลเลยแล้วกล้าเข้าสู่ศีลที่เป็นความละเอียดสูงขึ้นไปเป็นลาดับลำดานี่คือภาพปฏิบัติน่าแกการกระทำตา่างการนับถือนั้นเป็นอย่างหนึ่งคือนับถือพระพุทธเจ้า พระธรรมประสงค์เป็นหลักใจไม่นับถือสิ่งใดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์นี่เรียกว่านับถือมีความเคารพกราบไหว้ด้วยความเชื่อความเร่วมใส่อย่าว่านับถือการปฏิบัติตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นขั้นขั้นตอ น, ตอนนั้นเรียกว่าการภาคปฏิบัติ คือปฏิบัติตามแบบแปลนที่ได้ยินได้ฟังมาน่า แ, แก่อวาทนั่นแหละแต่แยกออกมาเป็นเหมือนกับแบบแปลนเขาสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะโอวาทเหล่านี้จะถือเป็นมรรคเป็นผลในคำพูดเหล่านี้ยังไม่ได้เช่นเดียวกับจะถือเป็นตัวบ้านตัวเรือนจากแปลนจริงๆนั้นยังไม่ได้เพราะเป็นเพียงแปลนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัวบ้านตัวเรือนตัวตัวตึก ต, ต, ต, ตัวร้านอะไรที่จะให้สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนต้องสร้างตามแปลนที่ชี้ที่เน้ยที่บอกไว้กวา bon. ้างแค่สัํายาวลึกตื้นอย่างละเอียดขนาดไหนให้ทำตามแปลนนั้นบ้านหลังนั้นจะสำเร็จขึ้นมาโดยสมบูรณ์เ <laughs> พราะนายช่างที่เขาทำแปลนเขาเรียนมาเรียบร้อย ทดสอบทดลองรู้ได้ผลเป็นที่พอใจแล้วจึงนําออกมาใช้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงค้นคว้าทดสอบทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลได้ผลเป็นที่พึงพอพใจ ไ, ไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่จะสงสัยแล้วจึงแนะนําออกมาสั่งสอนสัตว์โลกการสั่งสอนสัตว์โลกจึงเป็นเหมือนกับ มอบแปลนให้โลกชาวุูตผู้ที่จะนับถือหรือผู้นับถือได้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอาวาทขั้นนั้นๆเป็นลำดับไปผลที่เกิดขึ้นจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแห่งความดีขึ้นมาเช่นเดียวกับ ผู้สร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนนั้นจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาโดยลำดับลำนาจนกระทั่งถึงขั้นสมบูรณ์เต็มที่แห่งตึกรามบ้านช่องการประพฤติ ต, ตัวการปฏิบัติตัวให้เป็นไปตามสวัรคตาธรรมที่เรียกว่าแปลนอันพระองค์จัดไว้ชอบแล้วนั้นก็ยอมจะสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาภายในผู้ปฏิบัติ คือเป็นคนดีเป็นลำดับกลำดาความประพฤติที่ออกมาจากใจซึ่งได้รับอบรมเพื่อความเป็นใจดีคนดีมาพอสมควรแล้วก็ย่อมดีไปตามๆกันการแสดงออกทางวาจาก็ถูกต้องตามเหตุตามผลเพราะจิตเป็นผู้ยอมรับเหตุผล คือาศ า, รราสนธรรมเพราะศาสนธรรมเต็มไปด้วยเหตุผลเพื่อความถูกต้องดีงามทั้งนั้นแล้วเริ่มปฏิบัติตัวตามาศาสนธรรมเป็นลำดับลำดาบตั้งแต่ขั้นให้ทานรักษา ศ, าศีล แล้กล้าเข้าสู่ด้านภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาจะสร้างตัวเป็นคนดีและเป็นคนดีเยี่ยมอยู่แล้วจึงจำต้องสนใจต่อหลักธรรมหลักที่ในซึ่งเป็นแบบแบปลนแผ่นถังอันถูกต้องดีงามไม่ผิดพลาด นั้นอยู่ประจำจิดประจำอิริยาบถประจำตัวไม่าทาดเคลื่อนไปได้ยิ่งฝ่ายพระวินัยด้วยแล้ว<ม>ก็ยิ่งเข้มงวดขวดขันไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ตำหนิ ต, ตนได้และคำว่าเจตนาจะล่วงเกินสีนั้นไม่ให้มีเลยนอกจากความเผลอความพังพลา โดยไม่มีเจตนาเท่านั้นหรือความไม่รู้ในสิ่งที่จะควรเยียวยาแก้ไขให้เป็นความดีขึ้นมาใหม่ได้มีควรรักษาด้วยดีเป็นประจำและทรทรมรรของผู้ปฏิบัติก็เริ่มแต่สมถะธรรมขึ้นไปสมถะธรรมคือธรรม ที่จะทำผู้ปฏิบัติให้ได้รับความสงบเย็นใจท่านจินเรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานเพื่อความสงบได้แก่ผู้เริ่มภาวนาบริกรรมบทธรรมใดก็ตาม ที่เหมาะกับจดิกนิสัยของตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความสนใจจริงๆจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสงบภายในจิตใจโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นผู้ใดเลยรู้ขึ้นจำเพาะใจของตนเองว่าเวลานี้ใจได้รับความสงบเยื้งใจเพราะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่คือผลเริ่มปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว จากแปลนคือศาสนาธรรมหรือวิธีการที่ท่านแนะว้นั้นและพยายามอบรมพยายามบำรุงพยายามรักษาจิตซึ่งมีสิ่งปิ้นต้อนหลอกลวมอยู่ภายในนั้นเป็นจำนวนมากอย่าให้เป็นไปตามสิ่งเหล่านี้ให้ระงับ ดับกันด้วยอดด้วยธรรมมีสติเป็นสำคัญระวงังจิตใจของตนไม่ให้สาแสไปตามสิ่งกบดันที่ออกไปสู่ทางตาทางหูสู่ทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเครื่องสัมผัสต่างๆตลอดถึงธรรมารมที่คลุ้นคิดอยู่ภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเหล่านั้น และมาเป็นค่าสิทธิ์กตนเองจนหาความสงบไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาเพราะการก่อไฟเพราะตุนด้วยเหตุแห่งความไม่มีสติชาติจริงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มาก <c oughs> ที่จะอบรมหรือบำรุงจิตใจให้เป็นไปเพื่อสมถะธรรมดังที่กล่าวนี้มีเรียกว่าภาคสมถะกรรมฐานมีการเริ่มแรก แห่งการก่อตั้งสร้างจิตใจของตัวเองเริ่มไปอย่างนี้เมื่อจิตมีความสงบเยนใจพอสมควรพอยับยัง้งตนได้ไม่กัดแกง่ไม่ขวอยว้าไม่หิวไม่กระหายไม่วุ่นวายกับอารมณ์ต่างๆมี สมถะธรรมคือความสงบเป็นอาหารเครื่องดื่มเครื่องอาศัยเป็นที่เย็นอกเย็นใจแล้วท่านสอนให้ใช้วิปัสสนากรรมฐานในวาระจากความสงบนี้ไปและผัดเปลี่ยนกันทำงานระหว่างสมถะกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ทําในเวลาเดียวกันนอกจากมีเหตุการณ์ที่ควรจะ อันนั้นเป็นกรณีนพิเศษของแต่ละรลลลายที่จะปรากฏการขึ้นมาให้ควรทำเช่นนั้นก็ทำได้การคำว่าคำทนิปัจนากรรมฐานก็อแปลอีกเหมือนกันเพราะว่าฐานที่ตั้งแห่งงาน แ, แห่งงานแห่งการงานเพื่อความรู้แจ้ง วิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญานั่นเองเวลานี้ไม่รู้แจ้งเพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องปกปิดตบาบังใจซึ่งเป็นนักรู้อยู่แล้วตลอดมาตั้งแต่การไหนๆ ไ, ไม่เคยปราศจากความรู้นี้เลยแม้แต่ขณะเดียวแต่เหตุใดจริงไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็เพราะสิ่งที่ปิดบัง มันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในจิตใจรู้ก็ให้รู้ไปตามแถวแห่งความฝ้าฟางแถวมืดแถวบอดแม่รู้ความจริงรู้ก็ให้รู้ไปแ บ, บกทำปลอมๆแผงแผงไปเพราะกิเลสมันทําให้เป็นเช่นนั้นเนื่องจากกิเลสไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมหากแทรกอยู่ภายในจิตนั้นทําเป็นของจริง จึงต้องอาศัยธรรมนี้เป็นเครื่องชะล้างเป็นเครื่องสอดส่องมองดูสิ่งที่ปลอมทั้งหลายซึ่งอยู่ภายในจิตใจนั้น <c oughs> ให้ได้เห็นแจ้งออกไปโดยลำดับเช่นท่านสอนกรรมฐานห้าในเวลาบวชเบื้องต้น เกซาลูมานัก่าดันตาตาโจตาโจดันตานาก่าลูมาเกซาดังนี้เป็นต้นนี่แลคือตัวปิดบังจิตใจไม่ใช่ภูเขาทั้งลูกไม่ใช่แผ่นดินทั้งแผ่นไม่ใช่สิ่งใดทั้งมวลไม่ใช่ความมืดเพราะอากาศมาปิดบังจิตใจแต่เพราะอาวิชชาคือกิเลส ตัวสำคัญเป็นพื้นฐานขยายอํานาจออกมาทั่วสัมภาร่างกายนี้ให้เป็นสิ่งที่ปิดบังความจริงไว้ทั้งหมดยิึงเห็นด้วยความฝ้าฝางเห็นด้วยความจอมปองสําคัญผิดไปด้วยความรู้ความเห็นนั้ น, น, นทั้งหมดเพราะทกิเรลสพาให้สําคัญ กิเลสพาให้มั่นให้หมายกิเลสพาให้ติดกิเลสพาให้ขัดข้องผัวพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นธรรมท่านจึงสอนลงจุดที่กิเลสผูกมัดหรือกิเลสปิดบังนี้ไว้และเพิกถอนความจำปลอมของกิเลสที่สําคัญว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรานี่เป็นหญิงนี่เป็นชายนั้นเป็นจัตเป็นบุคคล ออกไปโดยลำดับลำดาด้วยการพิจารณามีกรรมฐานห้าเป็นสำคัญในพื้นฐานแห่งการพิจารณาเบื้องต้นท่านจปนมอบอาวุธอันสำคัญให้ห้าประาการเดชาลูมาเป็นต้นเราจะพิจารณาอาการใดในห้าอาการนี้เพื่อจะเพิกถอนสิ่งจองตอมๆนั้น นี่คือวิปัสสนาเพื่อความเห็นแจ้งตามความจริงของสภาพนั้นๆในส่วนร่างกายของเรานี้เจษฎาดูเป็นยังไงผมอยู่บนศีสานมันสวยตรงไหนมันงามตรงไหนมันน่ารักน่าชอบใจที่ตรงไหนเพียงเป็นเส้นดำๆขา ว, ขาว อยู่บนศีษะเท่านั้นมันหาความสวยงามมาจากที่ไหนถ้าตามหลักความจริงของมันแล้วหาความสวยงามไม่ได้เพียงผมเส้นหนึ่งเท่านั้นเอาความสวยงามเอาความเลิศเลอมาจากไหนเอาความเป็นหญิงเป็นชายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชอบใจมาจากไหนผมเส้นหนึ่งนั้นมันมีอำนาจวาสนามาจากไหนจึงมากรอมจิตใจของสัตว์โลกให้ได้ลุ่มหลง ยึดถือว่าเป็นของสวยของงามเป็นของที่น่ารักให้ชอบใจหลังพิจารณาลงไปตั้งแต่เส้นผมลงถึงที่เกิดที่อยู่ของมันมันเกิดที่ไหนสถานที่มันเกิดวิเศษไหมตัวของมันเองเส้นผมนั่นมันวิเศษไหมสถานที่มันเกิดวิเศษไหมสถานที่มันอยู่วิเศษไหมถึงได้ยกได้ยอถึงได้ยึดได้ถือได้สําคัญมั่นหมายได้เคารพ มันเอาเสียหนักหนาจนลืมเนื้อลืมตัวว่าเป็นของสวยของงามว่าเป็นจัดเป็นบุคคลว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายไปด้วยผมเพียงเท่านั้นโง่ขนาดไหนมนุษย์เ่าดูผมให้ชัดเจนแล้วดูสถานที่อยู่สถานที่เกิดมันเกิดขึ้นมาจากหนังหนังวิเศษอะไรดูให้ดีสิหนังมันวิเศษอะไรข้างนอกมันก็เต็มไปได้วยมูล คี้ีเหงือที่ไข่เต็มไปหมดไม่ว่าหนังบนศรีรษะหนังรอบตาจะระเปยันโตหนังที่หุ้มรอบอยู่ในสุขุนาการนี้เต็มไปด้วยขีเหนือที่ไข่ต้องชะต้องล้างอยู่ตลอดเวลาแล้วหนังบนศรีรษะมันเป็นหนังวิเศษมาจากไหนที่ผมเกิดและอยู่ที่นั่นมันไปได้ความวิเศษมาจากไหนมันก็เป็นหนังเหมือนกันนี่ แล้วมันก็ยิ้มไปด้วยบุคลโปรหิตเหมือนกันอยู่ภายในที่อยู่ของมันมันอาศัยสิ่งสกปรกหล่อเลี้ยงกันไว้อย่างนั้นตามสภาพของมันที่เป็นของสกปรกโคมตามความจริงด้วยกันนี่ดูผมขนก็เหมือนกันมันอยู่ทั่วสารพรางร่างกายมันว่ามันมีเศษไหมมันว่ามันสวยมันงามไหมเราต่างหากเป็นผู้ไปสําคัญมันหมายนั่นเราต่างหาก เป็นผู้นำสิ่งวน่นนี้มาเป็นปืนเป็นไฟเผาจิตใจตัวเองไม่ใช่สิ่งเหงนั้นมาเป็นปืนเป็นไฟต่อเราเป็นความหลงของเราต่างหากความหลงของเรานี่คืออะไรพาให้หลงถ้ามาใช่เรื่องของกิเลสตัวจอมปลอมพาให้หลงนี่แหละอานาจของกิเลสมันเก่งการสามารถฉลาดแหลมคมอย่างที่เห็นเห็นอยู่สดสดร้อนร้อนนี่แหละเรายังเชื่อมันได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยกรรมฐานห้านี้เป็นต้นเบิกออกดูให้เห็นผมเป็นยังไงขนเป็นยังไงอแล็บเป็นยังไงสวยงามที่ไหนเด็บมันพิเสีศษพิศูดที่ตรงไหนก็แลบรู้กันอยูแล้วฟันคือกระดูกดีๆนั่นแหละมันเหมือนกระดูทั้งหลายแต่ว่าฟันและมันสวยงา ม, งามที่ตรงไหนกะกระดูรู้กันอยู่ชัดๆ ต, ตามหลักความจริงของธรรมเป็นเช่นนี้ แต่ตามความจํำลองของจิเดชเซกสรรพันย่อไปได้ร้อยแปดธรรมการแล้วแต่สัตว์จะติดจะพันยังไงแล้วจะห ล, หลงไปตามมันในแง่ยดแล้วมันหลอกท่านตลอดอเวลาทุกอาการของร่างกายที่มีอยูน่นี้นอกจากนี้แล้วมันยังหลอกไปทั่วโลกทั่วสังสารสารโลกทั้งหลายซึ่งตาบอดหูหนวกจึนถูกมันจูงจมูกมาตั้งกับตั้งกันก็ไม่ดีนี่แหละพูดนําของวตตถุให้จัดทั้งหลายได้เกิดแจ่เกิดตาห้า ความทุกข์ไปทุกภพทุกชาเพราะความเกิดเป็นเชื้อเป็นเป็ น, ป น, ปนตัวอาการอันสําคัญเนื่องมาจากอวิชชาได้แก่กิเลสตัวพาให้รุ่งหลงเป็นเป็นต้นเหตุอันเดิมแรกทั้งหลายจึงพากันแบกตั้งแต่กองทุกหาเวลาปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะแบกต่อ น, นี้ไปจนเป็นอนันตการหาระหว่างไม่ได้หาเวลาเวลาไม่ได้ถ้าไม่ปลุกเครื่องตัวจอมปลอมที่ ผูกมัดรัดดึงกิจใจนี่ออกเสียด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าเสียเมียเมื่อใดแล้วจะไม่มีวันได้หลุดพ้นจากทุกนี้ไปได้เลยจะบ่นขนาดไหนก็บ่นเถอะบ่นเรื่องทุกบ่นเท่าไหร่ก็หมดลมไปเราฝั่งถ้าไม่แก้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่ให้เกิดทุกข์นั้นออกไปได้ด้วยอดด้วยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมยิงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากที่จะชะล้างหรือที่จะลบล้าง ปราบกิเลสทั้งหลายให้รากไปจากปีติใจและเป็นอิสระขึ้นมาไปอนใจที่วิเศษวิสโสเนี่ยขั้นเริ่มแรกท่านจึงสอนกรรมาฐานให้แต่นั่งจัท่านตามฝันตะโจหนังอ่ะดูสิสวยที่ตรงไหนงามที่ตรงไหนวิเศษที่ตรงไหนหนังหนังสัตว์ก็มีอย่าว่าจะมีแต่หนังขนหนังเหล่า แล้วเขาวิเศษอะไรกันสาตร์มันมีหนังทั้งนั้นเหมือนมันทำไมมันไม่วิเศษเหตุทาไมเหตุใดมนุษย์เราจึงถือว่าตัววิเศษด้วยหนังเพียงเท่านี้เปิดเข้าไปด้วยปัญญาของเราพิจารณาดูข้างนอกก็มีแต่เครืงกิ่งเมื่อกี้ใครเต็มไปหมดแล้วต้องชะต้องล้างอยู่เป็นประจันไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่สงไม่ได้มันจะส่งผินเหม็นคลุ้งไปหมด ต่างคนก็ต่างหากมูลสดมูลแห้งเต็มตัวมาอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษย์ถ้าไม่ชะไม่ล้างไม่อาบไม่โงให้พอดูได้สันั้นเราอยังจะเสกสรรปัญญป้นยอมบรรจของพิเศษพิสโสที่ตรงไหนดูจากผิวนี่ก็รู้อยู่แล้วถ้าดูด้วยอัดด้วยทรรมดูด้วยสติปัญญาถ้าไม่ดูด้วยอำนาจแห่งกิเลสตัวมืดมิดปิดตาตโลกันตนรกมันปิดเราให เดือดร้อนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะความมองหาอะไรไม่เห็นขึ้นชื่อว่าของจริงแต่จะเจอตั้งแต่ของปลอมซึ่งเป็นปืนเป็นปเพราะหลุนเราทำนั้นด้วอย่างนี้ท่านจึงสอนให้ <c oughs> บทธรรมย่อๆในเวลาบวชซึ่งเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยให้นาอันนี้ไปพิจารณาเราจะบริกรรมเป็นสมะถะกรรมาฐานก็ได้ <c oughs> บริกรรมในอาการทั้งหา้านี้บทใดก็าตามก็เป็นสมัตาได้บริกรรมไปแล้วยังมาแล้วยังพิจารณาไปตามอาการที่ตนบริกรรมนั้นอีกก็กลายเป็นนิพพัติศสนาไปด้วยกันนั่นอีกได้ดังนั้นก็พิจารณาเข้าไปหนังข้างนอกกับข้างในมันต่างกันดูมากแม้ข้างนอกเป็นของศกกระปกแต่ก็ยังสู้ข้างในไม่ได้พลิกออกมาดู เต็มไปด้วยเลือดด้วยปูโผ ล, ล่ทีรับเลือกเข้าไปท่า่มีตั้งแต่กองอสุภะกองสกรปรกโสโครกทั้งนั้นร่างกายมนุษย์ทั้งร่างอะไรจะสกรปรกยิ่งกว่านี้ละ่ะเราดูสิทำาไมจริงไม่พิจารณาให้เห็นตามความจริงให้จิเหล็กมันหลอกคือทำใหม่ว่าสวยช่วยได้ยังไงตาก็เห็นกันอยู่นี่ มันสวยที่ตรงไหนตาเราก็เห็นอยู่ตามนุษย์แท้ๆยิ่งเป็นตาอัตาธรรมตาลูกจิตตาขากดที่จะสอดแทรกปัญญาเข้าเป็นกล้องอันหนึ่งซองลงไปตามหลักความจริงทำไมจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้งหมดมีตั้งแต่กล้องที่ทันสมัยทั้งนั้นคือปัญญาสติครอบกันไปบังคับกันไปพิจารณาให้เห็นตามความจริง ของอาการทุกส่วนภายในร่างกายหรืออาการใดก็ตามมันหากจะกระจายไปหมดทั่วส า, ารพรางกายเพราะเป็นสิ่งเหมือนเหมือนกันหมดถ้าพูดถึงว่าอสุภะอาสุพังเป็นของปฏิกูลโสโครมันก็เต็มหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเราตัวเขาอยู่แล้วไม่มีอะไรบุกร่องแล้วม่มีอะไรปฏิกูลเกินร่างกายของมนุษย์หญิงชายนี่เลยเหตุใดจึงไปเสกสรรปั้นดรอว่าเป็นของสวยของงามเป็นของน่ารักใครชอบใจ นี่เรื่องของกิเลสมันปลอมอย่างนี้แหละมันไปเอาของปลอมไปครอบในของจริงทั้งหลายโจนมองไม่เห็นความจริงทั้งๆที่ความจริงมันเป็นหลังที่ว่ามานี้มันก็มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้ว่าเป็นของจริงมันไม่ลงใจว่าเป็นของจริงแต่มันลงใจว่าเป็นอของจริงตามทางกิเลสที่มันหลอกตัวจอมปลอมนั้นหลอกไปเสียมันเข้าใจว่านั่นเป็นของจริงทั้งๆที่สิ่งนั้นเป็นของปลอม ความจริงแท้มัมนไม่ยอมเชือ่อก็เหมือนกับว่าทาเป็นของปลอมไปเสียเพราะถูกกิเลสกล่อมถูกกิเลสมันปิดบงังไม่เห็นความจริงโลกทั้งหลายจึงหลงกันใครไม่อยากหลงแต่สิ่งที่พาให้หลงซึ่งเหนืออำนาจเรามันมีด้วยอันนี้จึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาแยกแยกเข้าไป ตามตัดส่วน ต, ต่างๆซึ่งมีอยู่ในร่างกายนี้ตั้งแต่เบื้องบนเบื้องล่างดูให้ไปตลอดทัด่วถึงเรียกว่าเที่ยว ก, กรรมฐานภายในร่างกายนี้อย่าพูดแต่เพียงว่ากรรมฐานห้าเท่านั้นกระจายไปได้ทางนั้นเพราะเป็นกรรมฐานด้วยกันดูให้ชดัดเจนด้วยปัญญาและดูเข้าไปลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งไปเห็นความจริงขึ้นมาโดยลําดับยิ่งเห็นสิ่งที่สักดิโกรธโสมมเต็มไปในร่างกายนี้โดยลําดับลำดับ ออกจากนั้นก็เป็นเนื้อเนื้อเป็นยังไงสวยงามไหมอะไรมันม่เสียวิสูตที่ตรงไหนเนื้อมันม่เสียที่ตรงไหนหน่ารักให้ชอบใจที่ตรงไหนก็เนื้อรู้กันอยู่แล้วเอ็นสวยงามที่ตรงไหนวีเียวิ Elite. สูตที่ตรงไหนน่ารักให้ชอบใจที่ตรงไหนก็เอ็นกระดูกกระดูกก็เป็นท่อนๆก็เหมือนกับกระดูกสัตว์ทั้งหลายนั้นมันมีสาระอะไรพอที่จะ ยกยอ ป, อปั้นขึ้นมาเป็นของพิเศษวิสศษว่าเป็นเราเป็นของเราถึงได้เทิดทุนมันนักหนาจนกระทั่งมันสร้างกองทุกเผาจิตใจเพราะความยึดความถือความหลงมาในมันไม่รู้สึกตัวนักเท่าไราก็ยกก็ทนเอาอแบกอะไรทุกวันถ้าแบกตั้งแต่เพียงร่างกายเพียงเท่านี้ก็ยังไม่พอแบกความน้ำคัม น, นมันหมายในร่างกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของเขารักนั้นชอบนี้เกลียดนั้นเกลียดนี้ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของจิตเดชที่จะ โยนทุกข์เข้ามาให้เราแบกเราหามอยู่ตลอดเวลานี่เรายังไม่เห็นโทษของมันแล้วจะเห็นอะไรเป็นคุณค่าถ้าลงไม่เห็นโทษสิ่งนี้เสก่อนคุณค่าทางธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นจริงต้องอาศัยสติปัญญาพี่จารณะพี่ขายลงไปนอกจากนั้นก็กาหนดให้มันแตกมันตายในตัวของเราก็ตามของเขาก็ตามคนตายแล้วเป็นยังไง เขาตายก็ตามเราตายก็ตามเรายังไม่ตายดูคนตายก็เคยดูกันมาแล้วเป็นยังไงน่าพึงใจไหม hmm. ดูอะไรทุกส่วนมันน่าใเ่ยียนน่าเกลียดเต้าเสียทั้งหมดติดหูติ ด, ต, ดตานอกจากนั้นยังกลัวผีมันอีกอะไรจะน่าขยะแขยงยิ่งกว่ามนุษย์ตายแล้วเห็นใดจึงไปครา้าหน้าด้านเจ็ดสันต้นยอา ว, ว่าเป็นของสวยของงามรักให้ช่างใจแบกหามอุปทานแทบจะเป็นจะตายถ้าใจนี้เป็นของกิ่สลาย ไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปเป็นเวลานานแล้วเพราะขอบช้าไม่มีอะไรเกินจิตนี่เลยนิเวศไม่ว่าตัวไหนเข้าไปก็เผาเข้าตรงนั้นทุกน้อยใหญ่อะไรเผาที่ตรงนั้นเผาที่ตรงจิตซึ่งเป็นตัวการพายเกิดเพราะอวิชชาเป็นเชื้อนําทุกน้อยใหญ่จึงเผาลงที่จิตเผาลงทีจิตหากจิตเป็นสิ่งที่สลายตัวไปได้เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วแหลกไปนานไม่มีเหลือเลยในจิตของบุคคลนัสัตว์ดวงหนึ่งหนึ่งพูดหนึ่หนึ่งได้หนึ่ง แต่นี่จิตทำลายไม่ได้ทํำลายไม่ได้ตายทุกขนาดไหนก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่คิดหายจึงต้องทนมาได้ถึงขนาดนี้นะเรายังจะทนทุกทรมามททุกรมานเพราะอํานาจแห่งความหลงที่กีเลสกล่อมนี้ไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจกับอัดกับธรรมกับการพิพจารณานี้สมควรแล้วเหลือกับนักปฏิบัติทั้งเราเราต้องสอนเราอย่างนี้และต้องพิจารณาอย่างนี้ยอกย้อนเราอย่างนี้หาวบาอย่างนี้การสอนตนด้วยปัญญาไม่เช่นนั้นจะเกิด อุบาขึ้นมาไม่ได้อยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆอย่างนั้นแนะ่ะแต่กิเลสมันไม่ได้อยู่เฉยๆมันสร้างกองทุกข์ขอเราตลอดเวลาผู้ที่จะแก้กิเลสอยู่เฉยๆได้ยังไงต้องพินิษฐ์พิจารณาเช่นการพิจารณาร่างกายก็หนังที่ว่ามันี้อาตายแล้วเป็นยังไงมันทอมขึ้นมาขึ้นอืดขึ้นมาเหน่าเหม็นจมาต้องแต่กระจายลงไปกําหน ด, ดดูให้มันเห็นชัดที่เมื่อแตะลงไปแล้วเป็นยังไง ทางกลินเป็นยังไงรูปลักษณะมันเป็นยังไงมันน่าพึงใจไหมจงกระจายตัวลงไปเมื่อกระจายลงไปเต็มที่แล้วส่วนดินมันก็ลงมาเป็นดินตามธาตุเดิมของมันส่วนน้ําก็กลายเป็นน้ําธาตุน้ําของตนเองไปน้ําตามเดิมลมไฟไปเป็นอาจารย์ธาตุเดิมของตนเองแล้วไหนความว่าเป็นสักเป็นบุคคลอยู่ที่ตรงไหนดินนั่นหรือเป็นเรา ดินนั่นหรือเป็นของเราดินก็เรียกว่าดินก็รู้ว่าดินอยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงมันอยู่ในร่างกายเรานี้มันก็คือดินคือน้ําคือลมคือไฟไอเสกสรรปัญญามันมาเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงถ้าใช้ปัญญาต้องต้องทําอย่างนี้ที่ซักพอกนอย่างนี้ให้เห็นถึ ง, งความจริงที่พระเจ้าทรงสังส่งสอนไว้จนได้เห็นได้ชาติประจากปัญญาว่านี้โอ้นี่คือธาตุดินนี่ออกจากความปฏิกูลโสโรครกลงไปแล้วเลื่อนไปเป็นธาต พิจาณาเป็นธาตุก็สักแต่ว่าธาตุเท่านั้นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมีใจเป็นผู้ครองเพราะใจเป็นผู้หลงเนื่องจากสิ่งที่ทําให้หลงครอบหัวใจใจจึงต้องหลงจึงต้องอยู่ตามอำนาจสิ่งเหล่านี้พาให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายพบน้อยพบใหญ่สูงสูงต่ำตๆำทุรุณณนนอนตามอานาจแห่งวิบากรรมที่ทําลงมาทั้งดีและชั่วใจเป็นผู้ทำเมื่อทํำลงไปแล้ว ขาดทั้งหลายจึงต้องได้รับทั้งผลดีผลชั่วจะจําได้ไม่ได้ก็ตามในการกระ ท, ทําของตนเองทั้งดีและชั่วผลจะปฏิเสธไม่ได้เพราะใจเป็นผู้ทำใจตีกราไว้แล้วจะต้องมาที่ตรงนั้นผลจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นไม่ว่าสุกว่าทุกเพราะผู้นั้นเป็นผู้เกิดพบน้อยพบใหญ่ก็คือผู้นี้เป็นตัวพบตัวชาติที่ยเกิดแจเจีบตายอยู่ไม่อยู่ในถอยเพราะอวิชชาปฏิยาสร้างข้ารา น, นั้นเป็นสําคัญมากทีเดียวมีการพิจารณา พิจารณาให้เห็นชัดองไปอย่างนั้นนี่แหละการเดินตามแบบแปลนแผนถังคือสารธรรมที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนไว้ให้ดําเนินอย่างนี้เอาพิจารณาให้หลายตลกทบกวนซ้ำๆ ซ, ำ ซ, ำ ซ, ำซากๆให้ถือนี้เป็นงานประจําจิตของตอนเองเรียกว่าประความความเพียรหรืองานหมายถึงการพิจารณาอย่างท่านเรียกว่าปัญญาเนี่ยวิปัสสนาเห็นแจ้งตามความจริง ผู้พูดถึงว่าอสุภาอสุพังก็เป็นจริงๆประจักษ์ด้วยปัญญาผู้พูดถึงเรื่องธาตุก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นความแตกสลายก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาเห็นทุกขงังก็เห็นประจักษ์ด้วยปัญญาอันนี้จังความแปรสภาพก็ประจักษ์ด้วยปัญญาอนัตตาหาสาระหาความเป็นตนเป็นตัวไม่ได้ในอัตภาพร่างกายนี้หรือในขันตั้งหา น, านี้นี่นก็เป็นเรื่องของปัญญาพิจารณาอย่างนี้ เียกว่าปัญญาสอดแทรกลงไปให้เห็นตามความจริงของมันแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันจะนหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็เถอะทนปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พอรู้แจ้งเห็นจริงที่ตรงไหนโปอยทันทีต่อยทันทีเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงตลอดตัวถึงปล่อยหมดอข้ามหลงที่ว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าเขาว่าเราหมดอืม เหลือแต่ความจริงล้นล้วนคือสักแต่ว่าพลาดศักแต่ว่าขันสักแต่ว่าเราว่าเขาติดตามชื่อของสมมติเท่านั้นแต่จิตไม่ได้ยึดไม่ถือเพียงแต่ปฏิบัติตามขั้นของสมมุติเราก็รู้ว่าเราเขาก็รู้ว่าเขาตามขั้นของสมมตินั่นหญิงนี่ชายก็รู้ตามขั้นของสมมติแต่ไม่ติดแต่ไม่รักไม่ชังไม่เกลียดไม่โกรธให้สิ่งเหล่านั้นไม่ยึดไม่ถือสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าปัญญาถ้ารู้แล้วไม่ยึดจึงเรียกว่าปัญญา รู้อะไรเห็นอะไรยึดนั้นนั่นคือกิเลส ต, ตากระทบเสียงก็เป็นไฟเข้ามาเผาหัวใจเพราะความรักความชังในรูปนั้นนั้หูกระทบเสียงก็กว้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเพราะความพอใจไม่พอใจในเสียงนั้นๆนกลิ่นนดเครื่องสัมผัสเช่นเดียวกัน กระทบสัมผัสอะไรก้านเอาไฟเข้ามาเผาใจเผากรแสทั้งนั้นเพราะกระแสที่ออกไปนี้ด้วนแน่แต่เป็นกระแสของกิเลสออกไปทางตาสู่รูออกไปทางหูสู่เสียงออกไปทางจมูกสู่กลิ่นออกไปทางลิ้นสูร่รสออกไปทางกายสู่เครื่องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วกว้านความรุ่มความหลงที่เกิดขึ้นจากความรักความชังความเบียดความโกรธไม่พอใจในสิ่งทั้งหลายทั้งนั้นเข้ามาเผาหัวใจ ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของอวิชาหากินของอวิชาสั่งสมความทุกข์ใส่หัวใจของสัตว์เต็มอำนาจของมันเรืองอำนาจเต็มที่เมื่อสติปัญญาคือธรรมยังแท้เข้าไม่ถึงการพิจารณาที่สังที่กล่าวมานี้คือการเปิดให้ความจริงออกมาจากความจำปลอมของที่ทเกลียดตันหาอาวิชานั้นมันเสศสานปัญนยอเอาไว้ ถักเสียบเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เห็นตามความคิดแล้วปล่อยเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่ติดได้ยินรูปเฉียงกินนนวดเครื่องสัมผัสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์รู้เหมือนกันกับคนทั่วไปเห็นเหมือนกันกับคนทั่วไปรู้เหมือนกันคนทั่ ว, วไปแต่ไม่ยึดไม่ถือเพราะความรอบคอบของปฏิปัญญาพอตัวแล้วปล่อยวางเลยสิ้นเชิง น, นี่แหละความเห็นของใจที่เป็นธรรมแล้ว การความเห็นของใจที่เป็นจิสทั้งดวงต่างกันอย่างนี้การได้เห็นการได้ยินได้ฟังไม่เหมือนกันผลที่จะปรากฏขึ้นมานั้นไม่เหมือนกันเลยผลของจิสต้องเป็นปืนเป็นไฟผลของธรรมต้องเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรมากระทบกระเทือนไม่มีอะไรเข้ามาเอื้อมถึงได้เลยเพราะสติปัญญาพอตัวยิ่งจิตถึงขั้นบริสุทธิ์ด้วยแล้ว สมมุติทั้งมวล น, นี้ไม่มีสมมุติแม้ชิ้นหนึ่งหรือเท่าเม็ดหินเม็ดทรายที่จะเขาแทรกในกจติตตะวิมุต t นั้นได้เพราะปัดออกหมดขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจนั่นเลยเหลือแต่วิมุตความบริสุทธิ์ล้วนๆของใจนั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วเป็นจิตที่วิเศษอันนั้นต่างหากวิเศษอืมผมขนแในพันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอวัยวะ ในส่วนร่างกายทุกสัตว์ทุกส่วนที่เราแบกเราหามอยู่นี้ไม่ใช่ของวิเศษออ ม, มันกองป่าท้าผีดิบต่างหามาเสกสรรท่านยอมันว่าวิเศษอะไรสิ่งที่วิเศษอันต่อย่างแท้จริงดังธรรมพระเจ้าทรงสอนไว้คือใจที่บริสุทธิ์ต่างหาเป็นสิ่งที่วิเศษทางทีจ่จะก้าเข้าสู่ความบริสุทธิ์วิเศษนั้นคืออะไรก็คือสมถะธรรมนิพพสนาธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้การจงพากันดําเนิน เดินตามแบบการแผน่นถังคือสภาวธรรมที่ตัดไปนี้ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่าลดหย่อนอ่อนกำลังอย่าท้อถอยกิเลสไม่เคยอ่อนกำลังด้วยลําพังของตัเองนอกจากจะอ่อนกำลังลงด้วยการต่อสู้การลบฟันหันแหลกกันประมาณให้มันอ่อนกำลังลงโดยธรรมชาติของมันไม่มีฐานและทุกที่จะหลุดพ้นหมดประจากษจิตใจของสัตว์โลก เพราะการอยู่เฉยๆการไม่สนใจการไม่สนใจในการเพื่อการปูดการแก้ไขต่อถอนการช้าการล้างตลอดกลับตลอดกันไหนก็แบกทุกอยู่เช่นนั้นไม่มีคำว่า ต, ต้นไม่มีคํามาตายก็คือจิตกับทุกข์ที่แบกถามกันนี่แหละที่จะสิ้นสุดหลุดพ้นไปได้พก็เพราะอํานาจแห่งความดีตั้งแต่ทานศีลภาวนาขึ้นไปโดยลําดับนี่คือจิ้ช้าล้างแต่เพราะยังยิ่งกิจตภาวนาเป็นสําคัญที่จะล้างโลก โลกคืออะไรโรกคือมูสัดได้ใจอะไรได้ใจหัวใจที่ติดพันกับสิ่งทั้งหลายยึดมั่นถือมั่นถึงทั้งหลายไม่ว่าหัวใจใดฉันจึงเรียกว่ามูสัตสาตะแปลว่าผู้คล้องผู้ติดห้ามโรคข้ามกันที่ตรงนี้ล้างโรคล้างที่ตรงนี้โลกที่ศกรปรกที่สุดก็คือใจที่เต็มไป่้วย่เลสตัญหาอสุวะข่งความโลภความโรกรควาหลงราคาตัณหานี่คือตัวสกปก ครอบหัวใจอยู่ใจจึงหาความวิเศษไม่ได้เมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรได้ชะล้างเข้าไปหรือปราบปรามเข้าไปสิ่งเหล่านี้จะพังลงพังลงพังลงแตกกระจายลงไปโดยลำดับลำดา บ, ดบจนไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละความวิเศษคือจิต ด, ดวงที่บริสุทธิ์นวลล้ว น, วนเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรเหมือนนั่นแหละคือจิตแท้นั่นแหละคือธรรมแท้ ที่เป็นผลขึ้นมาจากแบบแปนคือตำหนับตำนาที่ท่านสอนไว้สอนให้เข้าสู่จุดนี้ตั้งหากไม่ใช่มรรคผลนิพพานจะอยู่กับคําสอนนั้นเท่านั้นอันนั้นเป็นแปลนอันนั้นเป็นตำหนักตำนาสอนเข้ามาเพื่อถึงความจริงอันนี้นี่แหละเป็นตัวมรรคนี่แหละเป็นตัวผลนี่แหละเป็นตัวบริสุทธิ์เป็นผู้ดูดพ้นคือผู้นี้นี่แหละถ้าพูดถึงว่าบ้านก็นี้ล่ะที่นี่บ้านนั่นเป็นแปลนนี้เป็นบ้านทั้งเร็จอยู่ที่ตรงนี้ ให้พากันประพฤติปฏิบัติยาท้อถอยอยาชินชากับความทุกข์ทั้งหลายมันเคยทุกข์มานานแล้วน่าเข็ดหลาบพระพุทธเจ้าองค์ศาสดาของเราทรงเข็ดหลาบมาพอพระทัยแล้วได้ตรัสรู้รมขึ้นมากระเทือนสามแดนโลกฐานเพราะความหลุดพ้นจากความกดขี่บัง ค, บบงคับของวัตจักรวัตจิต สังสารักรก็ได้เก่กิเลส ก, กระสับวัตจักรก็ได้เก่กิเลสตัวครอบหัวใจไว้ไม่ให้มีทางออกได้เลยเมื่อพระองค์ถึงขั้นอันพิเศษสมบูรณ์แล้วยังมีพระเมตตาต่อสัตว์โลกจนหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครที่จะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมนำอุบายแห่งการแห่งความพลุกพลุกแห่งการเปลื้องทุกออกจากใจของมวนัตว์ได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงค้นพบโดยไม่มีครูมีอาจารย์ไม่มีใครมาแนะนำสั่งสอนเลยแต่เป็นสยาภูทรงค้นเองรู้เองเห็นเองขึ้นมาบริสุทธ์เองแล้วนำพระอาวัต์เหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกตั้งแต่หลังจากได้ตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปริยพานไม่เคยพระองค์ไม่เคยลดละ ในการสงเคราะห์โลกไม่ว่าจะเป็นโลกใดจะควรสงเคราะห์ด้วยอาบด้วยธรรมด้วยวิธีการใดไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้าถ้า พ, พูดถึงเรื่องหลักวิชาธรรมที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็ไม่มีสัตว์ตัวใดๆใดที่จะมีวิชาประเภทนี้เป็นคู่แข่งกับพระพุทธเจ้าและอุบาลในการแนะนําสั่งสอนสัตว์โลกก็ไม่มีใครที่ฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้า พ, พูดถึงเรื่องความบริสุทธิ์วิเศษ ใจที่บริสุทธิ์ก็ไม่มีใครเป็นคู่แข่งพระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกที่จะจ่าสรู้ขึ้นมามการทําประโยชน์ให้โลกจึงไม่มีใครที่จะเสมอพระพุทธเจ้าทําได้หมดทั้งสามโลกธาตุอุบายวิธีการแนะนําสั่งสอนทุกอย่างไม่ต้องหามาจากไหนไม่ต้องไปศึกษาเรียนมาจากที่ไหนคัมภี์ใดจากครูไรอาจารย์ไหนทรงขนขฝายด้วยพระดําพังพระองค์เองด้วยหลักของสัพพัญญูอันประจําองศ า, ศาสดาแต่และพระองค์เป็นอย่างนั้น และการสั่งสอนสันโลกมีเวลาเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าตั้งแต่แตัดจะรู้แล้วในหลักพุทธกิจท่านก็สอนไว้แล้ววตอนบา่ายก็ทรงแนะนำสั่งสอนนี่หมายถึงเป็นการนะตอนบา่ายสามสามโมงสี่โมงเย็นประธานพระอุวาแจากพระฟ้าประชาชนนับจากพระมหากริยตรงมาโดยลาดับถึงประชาชนคนธรรมดา พอตอนข้ามก็ประทานพระอุวาดแก่พระสงฆ์เป็นประจำพอเที่ยงคืนก็ประทานพระอวาแก่เทวดาและแก้ปัญหาเทวดาตามขั้นภูมิต่างๆที่เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่พมลโลกลงมาถึงภูมิเทวดาคือลูกขัดเทวดาอากาสาเทวดาทีพอปชิมยาม ทรงเรียานดูสัตวโลกยานคือความละเอียดแหลมคมแห่งความรู้ที่ไม่มีใครเป็นคู่แข่งทรงเลญยนยานดูสัตวโลกว่าผู้ใดมีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ได้ในรู้การบวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนจะไม่สมหวังผลที่พึงจะได้รับเต็มหัวใจนั้นจะขาดสะบัดลงไปเพราะอันตรายแห่งชีวิตมาถึงก่อนพระองค์ก็เสด็จ ไปโปรดคนนั้นก่อนใครตอนเช้าก็เสร็จออกบินธรรมาติโปรดสัตว์โลกด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้ไปด้วยความโลเลโลกเลในเรื่องอาหารอโลกามิตทั้งหลายแต่ไปด้วยหลักของศาสตราไปด้วยพระเมตตาไปด้วยความสงสารสัตว์โลกจริงๆใครได้เห็นใครได้ยินได้ฟังเวลารับสั่งแม้แต่ประโยคเดียวเท่านั้นก็เป็นสิ่งมงคลมหามงคลเต็มที่แล้ววัตถุเทวทานที่เขามาบริจาค ท่านผู้บริสุทธิ์วิเศษดังมาผู้เทยเจ้าจะประมาณได้อย่างไรว่ามีผลอ น, นิสงฆ์มากขนาดไหนเรนะื่องเรียกว่าปูกสัตว์โลกเห็นก็เป็นการปรูกได้ยินก็เป็นการปรูกเขาทำบุญให้ทานมากน้อยเป็นการปลูกทั้งนั้นนะหากจะว่างบ้างก็หลังเสวยพระกระาหารแล้วได้พักบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางบันบา ง, บางเวลาแล้วประชาชนเมื่อมีความเคารภเรื่องสาพระพู้เทยเจ้าอยู่แล้วทําไมเขาจะไม่มากางบัน แม้แต่เพียงอย่างบารดาบรรดาเราเนี่ยอย่างผมนี่เท่ากับยังหนูตัวหนึ่งเท่านั้นก็ยังมีประชาชนมากลางวี่กังวันเขากลมาเวลาไหนเขากลับมาเขาไม่เห็นมีกําหนดกดเจนอะไรนี่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อเครารพกราบไหว้องค์ศาสด า, า, าองค์เอกทําไมจะมีเวลาเวลาจํากัดจำเขี่ยถึงขนาดนั้นนั่นหมายถึงหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าต้องทำตามพระวิสัยของพระองค์ จะเรียกว่าพุทธกิจห้าคืองานของพระพุทธเจ้าส่วนปีกย่อยกลางวี่กลางวันนี้ก็ต้องมีล้วนแล้วตั้งแต่การสงข้อโลกทั้งนั้นด้วยอัดด้วยทำนี่เป็นของสำคัญเราพิจารณาพราใครในโลกนี้จะทำประโยชน์ให้ให้โลกได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเร า, ส, าสอนโลกก็สอนได้ถึงสามแดนโลกธรรมมนุษย์จะสอนกันไม่เห็นได้เลือกได้หล่ เพียงมนุษย์ตาดำๆมองเห็นกันอยู่ด้วยกันนี่ยังสอนกันไม่ลงสอนกันไม่ได้แต่พระพุทธเจ้ายังสอนได้ทั้งเทวบุตรเทวดาแล้วใครจะทําประโยชน์ให้โลกได้ยิ่งกว่าของพระพุทธเจ้าเราพิจารณาดิ้นี่นี่แหละอํานาจของธรรมอำนาจแห่งความดีอํานาจแห่งความศักิ์สิทธิวิเศษของใจที่บริสุทธิ์แล้วอํานาจของธรรมที่เกิดขึ้นจากพระทัยที่บริสุทธิ์แล้วนั้นมีอํานาจมากเป็นความจริงเต็มจัดเต็มส่วนการแนะนําสั่งสอนผู้ใดรายใดายก็ตามทรงทราบทั้งยาน คือทั้งพยาพยาภายนจิตใจถ้าเป็นหมอกับหมอปริญญาเอกแล้วพอมองเห็นคนไข้ ย, ยังไม่ได้ถามด้วยสามรู้แล้วแล้ววางยาถูกปั๊บปับปับปับไม่ได้เหมือนหมอเถื่อนหมอเถื่อนนี่ผิดกันอยู่มากทำให้คนให้ตาได้เยอะถ้าหมอปริญญาที่เรียนมาด้วยความถูกต้องไม่ยยำแล้วได้ผลประโยชน์เป็นส่วนมากนั่นนี่องค์ศาสนาก็คือองค์ปริญญาเอกไม่มีใครเสมอแล้ว เอตคือทำแท่งเดียวใจบริสุทธิ์ครับะดวงเดียววิเศษอยู่ในนั้นนำทำออกมาจากตรงนั้นมาสั่งสอนโลกจะผิดไปที่ไหนเขาจะสั่งสอนโลกได้ถูกต้องแม่นยำและถึงใจยิ่งกว่าเขาพูดทยเจ้ า, าไม่มีเนี่ยถือว่าได้ทำประโยชน์ให้โลกได้มากมายขนาดนั้นรองรดับลงมาก็คือสาวกเพราะเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงสิ่ ง, งที่รู้จริงเห็นจริงนำอมาสั่งสอนหรือมาพูดให้ใครต่างก็ต่างมีความสะทกสะท้านที่ไหนเมื่อได้เห็น ประจักษ์ได้รู้ประจักษ์ใจแล้วแม้แต่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูต่อกันเรายังไม่เห็นสตุกสถานพอเราไปเห็นเองสิ่งนั้นเราได้ยินเองเรื่องนั้นเราพูดได้แม้แต่เด็กเขาก็พูดได้นี่พระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระไตยประจักษ์พระไตยแล้วทําไมจะมาสั่งสอนโลกให้ผิดพลาดไปได้นี่เนี่ยเรื่องแห่งความพิเศษของจิตเป็นเช่นนั้นพลังของจิตไม่มีอะไรเสมอ กิเลสมีพลังมากพลังของจิตเกิดไม่ได้มีไม่ได้พลังของธรรมมีไม่ได้มีแต่พลังของกิเลสการแสดงออกทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายตลอดทึ้งอวัยวะทุกส่วนที่แสดงออกพราออหน้าจของกิเลสใครก็รู้กันเห็นกันทั้งนั้นเป็นอย่างไงเห็นความขี้อยความโกรธความไม่พอใจแสดงมาเป็นอย่างไงเรื่องของกิเลสความพอใจก็เป็นเรื่องของกิเลสแสดงมาเป็นอย่างไง ใครๆก็รู้เพราะต่างคนก็ต้องเป็นครั้งขี่เดียดด้วยกันแต่ส่วนธรรมะที่บรรจุอยู่ในพระไตยของอพระพุทธเจ้าและใจของพระสาวกหรือครูอาจารย์ใดก็ตามที่ท่านถึงความบริสุทธิ์แล้วพลังของใจของท่านที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเป็นอย่างไรไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นเวลาท่านแสดงออกในกิริยาท่าทางต่างๆเช่นลักษณะขึงขังตึงตังดุด่าว่ากล่าวซึ่งเป็นพลังของธรรมล้ลวนเขาถึงว่าท่านโมโหโทโสเขา ว่าท่านเป็นครังรกิเลสมีแต่ความโลภมีแต่ความกขู่ขโมยตัวถูสั่งสอนโลกสั่งสอนมนุษย์มนาทําไมจึงต้องว่างนั้นใหเขาเขาหาได้ทราบมาว่านั้นคือพลังของธรรมที่แสดงออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจล้ว น, วนเพราะเขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยเห็นเนื่องจากธรรมไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมี่ร่างกายเหล่านี้มีเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นบิบากของกิเลสต่างหากคือบิบากได้แต่ผลที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสถ้าให้เกิดจึงเป็นเครื่องมือของกิเลสเมื่อกิเลสได้ถูกปราบ แหลกแล้เหยียดลงไปไม่มีเหลือแล้วขันอันนี้จึงเป็นเครื่องมือของธรรมทำอาศัยขันอันนี้เป็นเครื่องแสดงออกดังพระพุทธเจ้าทรงประกาศธรรมสองโลกก็ต้องอาศัยภาตุขันนี่แหละเสด็จไปที่นู่นที่นี่การแสดงอัดแสดงธรรมล้วนแล้ตั้งแต่ช้ายขันนี้ทั้งนั้นอืมส่วนธรรมอยู่ในพระไถ่ธรรมที่อยู่ในพระไถ่ออกระบายมาทางขันให้โลกได้เข้าอกเข้าใจการแนะนําสั่งช้อนนี่ หากว่าทำมีเครื่องมือเป็นของตนแล้วจะไม่มีอะไรวิเศษที่โสยิ่งกว่ารวดลายของท่านผู้มีธรรมและพลังของธรรมแสดงออกมาให้โลกเห็นนั้นได้เลยไม่มีอะไรแข็งแต่นี้ทำไม่มีเครื่องมือเป็นของตนมีแต่พลังอยู่ภายในจิตมีแต่ความบรู้สึกอยู่ภายในจิตเท่านั้นการสแสดงออกโลกจึงเข้าใจได้ยากโลกจึงเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเจเดชปัญหาเมื่อพลังของธรรมแสดงออกมาเช่นนั้นเพราะเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือของเจเดช กิจาที่แสดงออกจึงเป็นท้ายคืนกันทั้งๆที่อันหนึ่งเป็นพลังของธรรมอันหนึ่งเป็นพลังของกิเลสแต่มันก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันจึงกลายเป็นทั้นเปรียะนี่เดียวพูดทีนี้ขอพู ด, ดย อ, อกย้อนกลับคืนถึงเรื่องธรรมะฐานวิปัสสนานี่แหละทางเพื่อความพ้นทุกข์พ้นที่ใจเราอย่าเข้าใจอย่าสําคัญว่าจะไปพ้นที่โน่นไปพ้นที่นี่ ไปพ้นบนดินฟ้าอากาศที่ไหนท้นที่ใจเพราะทุกอยู่ที่ใจเครื่องผูกมัดอยู่ที่ใจปวดเรื่อง่ด้วยธรรมปวดเพื่อ้ที่ใจแก้กันที่ใจพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังที่อธิบายมานี้แล้วความสงบของใจที่เราเคยได้ยินแต่ชื่อว่าสมาธิสมาธิในตำลับตำราก็จะปรากฏเป็นตัวบ้านตัวเรือนเป็นองค์ธรรมขึ้นมาคือสมาธิธรรมขึ้นภายในใจของเรา คำว่าวิปัสสนาก็เหมือนกันก็จะปรากฏความรู้แจ้ง <c oughs> เห็นจริงขึ้นมาประจักษ์ใจสิ่งที่เคยยึดเคยถือเคยสําคัญมั่นหมายจะพัทงทาลายลงไปหมดเพราะอำนาจแห่งวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงปล่อยวางไม่ตามเป็นจริง <c oughs> ก็จะปรากฏเป็นร่างขึ้นมาเป็นรูปขึ้นมาเป็นตึกเป็นร้านขึ้นมาถ้าว่าร้านว่าตึก <c oughs> ก็คือว่าองค์ธรรมแสดงขึ้นมาที่ใจทําละลงไปทําละลงไปจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือเอมันเกาะอยู่ที่ตรงไหนกี่เล่ห์ ปัญญาเข้าที่ตรงนั้นเผากันที่ตรงนั้นเกาะอยู่ในรูปพิจารณาทางรูปจนเข้าใจแยมแจ้ ง, จงเห็นจริงไปแล้วเหมือนกับเผากิเลสไปในตัวเสร็จความยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงไปเพราะกิเลสพังความยึดมั่นถือมั่นก็ต้องพังเพราะเป็นบริษัทบริวารของกันและกันเอาไปติดอยู่ที่เวทนาความถูกความทุกข์เฉยๆปัญญาอย่างลงไปเพราะสิ่งนี้เป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างเพระนั้นไม่ใช่เป็นสัตว์เป็นบุคคลปัญญาอย่างสั้นไปอันนี้ก็พัง รัญนาทังขาวิณญาณที่กิเลสเข้าไปถือไปเป็นเจ้าของกิเลสทังลงไปทางลงไปเหลือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่เกาะไม่มีที่อาศัยถูกอาวุธคือสติปัญญาฟาดฟันหั่นแหลกเข้าไปวิ่งเข้าสู่อุโมงค์ได้จากจิตล้นล้วนที่นี่เข้าไปสู่จิตนั่นแหละที่นี่อวิชชาล้นล้วนอยู่ที่นั่นกิ่งการสาขาของวิชาบริษัทปริวาสของวิชาที่ แผ่กระจายมาภายนอกให้ถูกสติปัญญาตีต้านเข้าไปต้านเข้าไปจนกระทั่งไม่มีที่อยู่เข้าสู่จิตพิจารณาที่จิตอีกด้วยสติปัญญาอัตนุมัติสติปัญท่านในครั้งพุชาการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาเมื่อเราพินิจนารณาเมื่อเราฝึกซ้อมอยู่มาหยุดไม่ถอยไอ้เรื่องความร่ำลุกคลานนั้นมันลุกได้ตั้งได้ใช่ววไหมสติปัญญานี้ก็กลายเป็สติปัญญาที่เกลี้ยงกลขึ้นมา ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อคนมายาของกิเลสทุกประเภทไม่ว่าประเภทไหนจนกระทั่งตีตะล่ำเข้าไป ส, สู่จุดดวงเดียวสูจิต ด, ดวงเดียวแล้วฟาดปนันแหลแกันเข้าไปนั้นอีกการพิจารณาอาวิชชาอยู่ที่จิตก็พิจารณาเช่นเดียวกับสภาวะธรรมภายนอกเป็นแต่เพียงว่าไม่ไ ม, ไม่มีอสุภะอสุภังแต่เป็นเรื่องตัวอนิจจังทุกขังาตาเพราะกิเลสนั้นเป็นสมมติอนิจจังทุกขังาตาก็ครอบกันกับสมมตินั้นพิจารณามันเป็นเราที่ไหน จนกระทั้งแยกแยกกันได้แตะกระจาลงไปไม่มีอะไรเหลือแล้วทีนี้อันนี้จังทุกขงังหน้าตาก็หมดปัญหาไปมหาสติมหาปัญญาก็หมดหน้าที่ไปกิเลสดับไปหมดแล้วอะไรที่รู้ว่ากิเลสดับไปอันนั้นแหละคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์จิต ท, ที่บริสุทธิ์อันนั้นแหละคือธรรมวิเศษจิตกับธรรมเปน็นเดียวกันนี่แหละการสัมผัสธรรมตาไม่สามารถสัมผัสธรรมได้ หูไม่สามารถสัมผัสทําได้จมูกดิ้นกายไม่สามารถสัมผัสทําได้เพราะทําไม่ใช่วิสัยขอ ง, ของหูตาจมูกลิ้นกายจะสัมผัสสัมพัสได้แต่เป็นนิสัยของใจยอย่างเดียวเท่านั้นให้เริ่มปฏิบัติกันเพื่อความสัมผัสสัมผัสทําตั้งแต่สมถะรมนิปัสนาธรรมขึ้นไปจกนกระทั่งถือวิมุติทำจะนอกเหนือไปจากอีกนี้ไปไม่ได้เลยเอาตงตรงนี้เลยพิจารณาตรงนี้ให้ได้เห็นนี่ว่าความบุญพ้นเป็นยังไงแล้วให้ได้เห็นชัดชัดว่ามนุษย์เราก็ดีสัตว์ตั้งหลายก็ดีเกิดแล้วมันตายหรือเกิด หรือตายแล้วมันสูนหรือตายแล้วมันไม่สูญมันเป็นยังไงมันจะไม่นอกเหนือจากการพิจารณานี้ไปได้เลยลจะรู้กันหมดเคยเกิดจากเกิดตายมากี่โปบกี่ชาติมันจะประมวลมาเข้าสู่ในจิตตรงเดียวนี้ว่าอวิชชาปจญญา ต, ตัวเดียวนี้เท่า น, านั้นพาให้ชัตว์เกิดจากเกิดตายเพราะมันเป็นเชื้ออนันสำพั์อยู่ฝังอยู่ภาในใจพอพังอันนี้ลงไปเสร็จแล้วไม่มีอะไรเหลือทีนี้จิตตายไหมจิตนะตายบริสูญได้ยังไง่นะระพุธทธเจ้ากิเลสพังลงไปหมดแล้วพระองค์สั่งสอนสัตว์โลกได้ ข้อจิตบริสุทธิ์ถ้ายินบริสุทธิ์นั่นมันสูญไปแล้วเอาอะไรไปสอนโลกเอาข้ามเห็นชาติติทีสามทิติโกความเห็นเองปัจจังเวริทุบโววินยูหีรู้ที่นี่ไม่ได้รู้ที่ไหนปฏิบัติที่ตรงนี้แก้กันที่ตรงนี้ไม่มีคำว่าการนั้สถานที่นั้นสถานที่นี้เป็นพระโพนิพานหรือสิ้นสุดพระโนิพานมันไม่อยู่ที่ใจของเรานี่แหละยิ่งเลสก็ข้อมล้อมอยู่นี้ทําให้ สารโลกที่โง่หลงงงายไปตามมันว่ามรรคผลนิพพานหมดเข่งหมดสมัยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่จะเห็นยังไงก็กิเลสปิดหวัวมันอยู่กิเลสหลอกมันอยู่เวลานั้นอืคำพูดเช่นนั้นก็เป็นคำพูดของกิเลสหลอกต่างหากนี่เวลาเบิกออกไปเบิกเข้าไป เ, ปเไปบิกเข้าไปฟันเข้าไปทีนี่ตัวมันจอมปลอมที่ว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีมันก็แตกกระจายไปอะไรเป็นมรรผลนิพพานนี่คือความปราที่เดลสเรียบเลื่องนันแลคือมรรคผลนิพพานจะเป็นที่ไหนไปถามมันจริงจังที่นักปฏิบัติให้รู้เห็นฮ ทำมาพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กาตาเครื่องเล่นของเด็กนี่วะพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกทำไม่ทำให้เป็นธรรมเอกเราปฏิบัติแบบรุ่นลุงนนทนนแจ้มันเห็นของจริงได้ยังไงเอาใหามันเห็นของจริงที่อยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่าไปหลงมงมงายกับคนว่าการนั่นสถานที่นี่ว่าเป็นเวลาที่หนึ่งมะขุนนิพพานมีไม่มีหรือสิ้นสุดไปภายปฏิบัติยังไงก็ทานไม่มีมะขผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปแล้วนั่นมันโมคะบุรุษตาฟางบุรุษตา บ, ตาบอดอย่าไปเชื่อพุทธทางสมังสนังกระฉามให ไปเชื่ออะไรคนหูหนวกตามหมดมันพูดออกมาเรื่องความโง่ความหลงของกิเลสครอบหัวมันตั้งหากพระพุทธเจ้าพระธรรมปสงค์กิเลสไม่ได้ครอบน vale ี่นะนี่แหละเป็นสารณะของพวกเราเอาตรงนี้เป็นเป็นหลักตาข้าตาเธอเราเคยเกิดเคยตายมากี่พบกี่ชาติแล้วทุกเพอะไรทุกทุกเพราะการต่อสู้กับกิเลสเพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดขนยอดเราจะทุกเราไม่เคยทุกหรือเราเคยทุกมาแล้วทําไมเราเราไปกลัวอะไรกับทุกเพื่อในการต่อสู้กิเลสเอาให้ยิ่งให้จังโอ้รู้สึกหน่อยเพงียแถวนี้รู้สึกแล้ว